ถามว่าเมื่อกุศลที่พ้นจากเจตนายังไม่เกิดขึ้นเราจะทําอย่างไรเพราะท่านอธิบายว่ากุศลที่ประกอบด้วยเจตนานั้นฆ่าสังโยชน์ไม่ได้ต้องอาศัยอริยมรรคที่เป็นกุศลพ้นจากเจตนาจึงจะฆ่าสังโยชน์ได้ขอท่านจงอธิบายในเรื่องกุศลที่พ้นจากเจตนาคืออริยมรรคให้ข้าพเจ้าเข้าใจ ตอบว่าท่านถามปัญหาถึงเรื่องรู้เห็นในอริยามรรคอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่มีปัญญาจะตอบเพราะผูบ้บรรลุอริยามรรคนั้นต้องเป็นพระอริยะตั้งแต่ชั้นโซดาบันขึ้นไปจึงจะตอบถูกเพราะท่านเคยบรรลุอริยามรรคแต่ถึงเช่นนั้นท่านก็ปิดคุณธรรมของท่านคำนี้น่าจะหมายถึงว่าไม่เปิดเผยตัวนะครับ เมื่อตอบตัดปัญหาเช่นนี้ก็ไม่มีเขาเงื่อนว่าจะทำในใจอย่างไรถูกขอท่านจงอธิบายไปตามแนวพระพุทธภาษิตจะได้เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งมรรคและผลขอท่านจงอธิบายในเรื่องอริยมรรคให้ข้าพเจ้าเข้าใจตอบว่าท่านจะมาเค้นถามในเรื่องอริยมรรคเหมือนจะมาเอาหนวดเต่าเขากระตายในข้าพเจ้าให้ได้ จะต้องค่อยๆนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ได้สดับมาเสียก่อนท่านจงมีสติสงบใจให้พ้นนิวรที่เรียกว่าสมาธิละพิจารณาธาตุหกคือดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ตามความเป็นจริงคือธาตุดิน16หมีผมคนเล็บฟันหนังเป็นต้นแยกออกไปให้เป็นส่วนๆธาตุน้ำสิบสอง กกออไปปให้เ็นนส่วธาตุลมหกแยกออกไปให้เป็นส่ว น, น, นส่วนธาตุไฟสีก็แยกออกไปให้เป็นส่วนส่วนและอากาศธาตุวิญญาณธาตุเมื่อแยกกระจายออกไปเป็นส่วนส่วนแล้วพึงพิจารณาดูตามความเป็นจริงให้เห็นเป็นสักแต่ว่าดินสักแต่ว่าน้าสักแต่ว่าไฟสักแต่ว่าลมสักแต่ว่าอากาศ และสักเต่ว่าวิญญาณทั้งหกอย่างนี้ไม่ใช่ตัวตนสัตว์คนเราเขาใครๆไม่มีให้เห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างไรและธาตุหกนี้เป็นแต่กองสังขารอาศัยปัจจัยคืออวิชาตัญหกรรมอาหารและนามรูปจึงเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยเหล่านี้ดับไปธาตุหกก็ยอมดับไป เมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในธาตุเหล่านั้นและเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็จะคลายจากความกำหนัดในธาตุทั้งหกเนี่ยแหละคืออริยมรรคผลจากอสวะคือวีมุตตอริยผลข้าพเจ้าอธิบายให้ท่านฟังตามแบบที่ได้สดับมาจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ตามพระพุทธภาษิต ท, ที่ข้าพเจ้าอธิบายให้ฟังนี้ ถามว่าท่านอธิบายเรื่องสงบใจให้พ้นนิวรา์จนเป็นอารมณ์เดียวแล้วจะพิจารณาอย่างไรได้เพราะเวลาที่พิจารณานั้นใจยังคงไม่สงบจึงคิดถึงธาตุได้ห ล, หลายอย่างเวลาที่อยู่บนเขาข้าพเจ้าปรารบความเพียรมีสติรู้สึกตัวอยู่ไม่ส่งใจไปคิดอย่างอื่นมีอารมณ์อันเดียวจนลืมกายไม่รู้สึกตัว สวัยสุขอันเกิดแต่วิเวกจะคิดอะไรอะไรก็คิดไม่ออกคงมีแต่รู้กับเฉยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เข้าใจในเรื่องพิจารณาธาตุหกขอท่านจงอธิบายข้าพเจ้าเข้าใจตอบว่าการพิจารณานั้นไม่ใช่ให้นึกหรือคิด คือมีสติสงบใจให้เป็นอารมณ์เดียวแล้วจึงสังเกตดูว่าอย่างนี้าธาตุดินอย่างนี้าธาตุน้ำอย่างนี้าธาตุไฟอย่างนี้าธาตุลมอย่างนี้อากาศาธาตุอย่างนี้วิญญาณาธาตุแล้วสังเกตดูความเกิดขึ้นของาธาตุทั้งหกและความดับไปของาธาตุทั้งหกให้เห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างไรไม่ใช่ให้นึกหรือคิดเพราะความคิดนั้นปิดความเห็น เพราะฉะนั้นจึงต้องสงบใจไม่ให้มีนึกมีคิดวิธีพิจารณานั้นท่านคงเข้าใจว่าใช้ความนึกความคิดเพราะใจที่ยังไม่สงบนั้นการปฏิบัติจึงใช้นึกใช้คิดก็เป็นชั้นสัญญาไม่ใช่ชั้นปัญญาเพราะปัญญานั้นไม่ใช่คิดปลือนึกเอา เป็นความเห็นที่เกิดขึ้นต่อจากจิตที่สงบแล้วและพ้นจากเจตนาด้วย